จิตตทุกกะงปฏิจจาวาระงปัจญานุโลมงวิพังขวาระเหตุปัจจัยห้าสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะัมปยุตตขันและกระตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาใจหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตแต่สมุทานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองจิตและประตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นขันหนึ่งจิตและประ ต, ตาตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและจำปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม ok ่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตะสมุฐานรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิต อาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตรรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารามณะปัจใจห้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น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 สสังภยาวาระสุทไนัย52เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอเนนตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระสะชาตาปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระ โอเรชาตปัจจัยมีห้าวาระมาเสวนาปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระมหาราปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระ นัตติปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปัจจยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจห้าสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่สัมัญตระคา์และจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นอเหตุกุกขาเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป mm ็นอเหตถุกะและถึงอาศัยจิตโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทะจะอาศัยจิตที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนาเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึงไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนอเหตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยเนสัตถปรมโมหะที่สหะรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหะรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สาะรคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุถูปัจจัยได้ แ, แก่ จ <moż> ิตอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะจิตอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกบจดใจได้แก่ขันสองจิตและจิตแต่สมุทานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุถูกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุถูกะจิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะในเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นจิต care, และอาศัยจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏินปฏสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะขันสองและกระตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที ar, ท่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เ <alternatives>. ป็นในเหตุกะขันที่ไม่เป็นจิตอาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สหรฆด้วยจิตอิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทจะ อาศัยจ tunes, achts, ิตที่สหรฆคะด้วยวิจิกิจฉาที่สหรฆคะด้วยอุทะจะและอาศัยสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นณอารมณปัจจัยห้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น เพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญยะสัตตพรมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก uh ่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยจิตและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะกระตัตตารูปอาศัยจิตและสัมปยุตตขันเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นหน้าอธิปติปัจจัยเป็นต้นห้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยมีห้าวาระเพราะหนอนันตระปัจจัยเพราะหนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นห้าสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนาปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุจขันต์อาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุจขันต์และกระตาตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้น พรณะณภุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพึ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาญญศัยนิสสตาพรมสภาวะธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพรณะณภุเรชาตปัจจัยได้แก่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 จิตและสัมปยุตตะขันอาศ enfin ัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตแตสมุทฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นจิตอาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตารูปอาศัยจิตและจมปยุติขันธ์เกิดขึ้นกระตัตารูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นละถึงเพระณะปัจฉาชาตปัจยเพระณะอาศัยวณัจจนักกรรมะปัจใจห้าสิบเจ็ด สภา ว, า ธ, ราวาธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัย oh สภาวธรรมที่เป็นจะิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมะปัจจัยได้แก่สัมปยุตเตเจตนาอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมะปัจจัยได้แก่สัมปยุตเตเจตนาอาศัยขันที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นยอ่อสองปัจยะปัจญจิยะสองสังขยาวาระสุทไนห้าสิบปดนเหตุปัจจัยมีห้าวาระเนะอรมณปัจจัยมีสามวาระ นาทิปต yeah. э ิปัจจ mm ัยมีห้าวาระนาอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอเสวณปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหวาระนมค้าปัจจัยมี5วาระณสำปรยุติปัจจัยมีสามวาระณวิปรยุติปัจจัยมีหวาระโนนัตถิปัจจัยมีสมวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจเนยะ59 นาอารมณะปัจจัยกับเหตุตกปัจจัยมีสมวาระนาอธิปติปัจจัยมีห้าวาระย่อ 4. ปัจยะปัจญิยานุโลม60อารมณะปัจจัยกับนาเหตุตกปัจจัยมีห้าวาระอานันตระปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ สหาชาติวาระเหมือนกับปฏิจจวาระห้าสิบหกจิตตะทุกะสามปัจญะวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหกสิบเอ็ด สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ฉัพยุดะขันและจิตตาสมุทฐานรูปทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึง ทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปขันที่ไม่เป็นจิตธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตทมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตทำขันที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ จิตทำขันที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตตสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตและสัมพยุตะขัน ทำอหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองจิตและขตัต cool er ารูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันทรมหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทมสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขนันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม <|ja|> ่เป็นจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตาสมุทฐานรูปทำจิตและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองและกตัตตารูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสอง ในปฏิสนธิขณะกระตัตรารูปทำจิตและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นจิตทำจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารมณะปัจจัยหกสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นจิตทมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ Set สหโรคด้วยจักขรวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหโรคด้วยกายเยาววิญญาณ ทำกายยัตณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นจิตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่จิตทำขันธ์ที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตทำขันธ์ที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขันธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขรวิญญาณและสัมปยุตตะขันทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณและสัมปยุตตขันทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำกายายตนะย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระหกสิบสาเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมาณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสองปัจญยะปัจจเนยะ หวิพังขวาระน่ะเหตุปัจจัยส4สีภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทมสภาวธรรมที่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปทำจิตที่เป็นอหตตกะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะที่เป็นอเหติตกะโมหะที่สหรัรโคด้วยวิจิขิจชาและที่สหรโคด้วยอุทจจะ ทำจิตที่สะหระรโคดด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหกสิห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะ เพิ่เพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตตพรมขันที่สหรคตด้วยจักุวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหรคตด้วยกายยาวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เสาอรโคด้วยอุทจจะและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นจิตทำสภาวะธรรมที่ไม <Leonardo, S 2> ่เ <March>. ป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจจัยได้แก่จิตทาขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะ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 ละถึงทำขันสองจิตและสัมปยุตตะขันรำอภัยวัตถ Hamilton ุให้เป็นปจัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ท, นะที่เป็นในเหตุตุกะในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะจิตและสัมปยุตตะขันรำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขวิญญาณทำจักขลายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิต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 ขันธ์ที่ไม่เป็นจิตทําจิตและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่สหรโคด้วยจักรปุวิญญาณทําจักขายะตนะและจักรปุวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทํากายาะตนะละถึงโมหะที่สหโรโคด้วยวิจิกิจชาและที่สหโรโคดูอุทจจะทําขันธ์ที่สหโรโคด้วยวิจิกิจชาที่สหโรโคดูอุทจจะและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อ ส ป, ปัจจยปัจจเนยะ 2. ส, สังคยาวาระสุทไนหก6ิบนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอารมณปัจจัยมีสามวาระน่าิปติปัจจัยมีห้าวาระนอนันตรปัจจัยมีสามวาระนสมนันตรปัจจ you ั so ยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสิยปัจจัยมีสามวาระน่ปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ นปัจชชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอาเสวนาปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากาปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณะปัจจัยมีห้าวาระนมคขปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ โนนัติปัจจัยมีสมวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญี่ยะ67สนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีห้าวาระย่อ 4. ปัจญญาปัจจญียนุโลม68อารมณปัจจัยกับนาเหตุถูปัจจัยมีหวาระอนันตระปัจจัยมีหวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระนิจยะวาระเหมือนกับปั จ, จยยะวาระห้าสิบหจิตตทุกะหสังสัทวาระหนึ่งปัจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัยสิเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเบอร์รคนกับสภาวธรรมที่เป็นจิต เพราะเหตุกปาจัยได้แก่สัมปยุตตะขันเกิดรกรวกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดรกรวกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตขันหนึ่งเกิดรกคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที mind, <extensive> ่เป็นจิตเกิดรกรวกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตกปาจัยได้แก่จิต เกิดรัควรกับขันที่ไม่เป็นจิตในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดรัควรกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตเกิดรัควรกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและถึงเกิดรัควรกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดรัควรกับสภาวะธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสองเกิดรักควกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นจิตและเกิดรักควกับจิตและถึงเกิดรักควกับขันสองในปฏิสนธิขณะยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอระมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ ณอธิปติปัจจใจมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีหวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีหวาระณอเซวณะปัจจใจมีห้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสมวาระนวิปากปัจจใจมีห้าวาระนจานะปัจจัยมีห้าวาระนมขะปัจจัยมีหวาระณวิยุตตปัจจัยมีหวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุตตะวาระ เพื่ทำอย่างนี้ทั้งหมด